นาปฏิวันพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ3ามร้พิกูตชั้นในสมัย2อพิสูตบอกลาพิสูตที่มีอยู่แล้วจึงเข้าไป3าพิสูตไม่บอกลาภิสูตที่ไม่มีอยู่เข้าไป 4. ีพิสูตเดินไปตามทางที่ผ่านเรือนผู้อื่น 5. ้พิสูตเดินไปตามทางที่ผ่านใกล้เรือน6กพิสูตไปอารามอื่น7จพิสูตไปสำนักพิกษุนี8ปพิสูตไปสำนักเดียรถี ๙ภิกษุไปโรงฉัน 10. ภิกษุไปเรือนที่เขานิมนต์1๑ภิกษุไปในคราวมีเหตุขัดข้อง 12. ภิกษุวิกลจริต 13. ภิกษุต้นบัญญัติจาริตตาสิขาบทที่ 6. จบ